พวกเราที่เป็นชาวพุทธถ้า ย, ย้อนระลึกนึกถึงสมัยที่เรายังเด็กเชื่อว่าคำสอนทางพุทธศาสนาอย่างแรกที่เราได้ยินหรือความเชื่อทางพุทธศาสนาอย่างแรกที่เรามีเนี่ยส่วนใหญ่คือเรื่องบุญตั้งแต่เล็กเราก็ ได้รับฟังคำสอนของพ่อแม่ปุญาตายายเรื่องการทำบุญอันนี้เรายว่าเป็นสิ่งแรกๆเลยนะสำหรับชาวพูทธในเมืองไทยเนี่ยถ้าจะรู้จักพุทธศาสนาอย่างไรก็เรื่องแรกที่เรารู้จักก็คือเรื่องบุญ เราถูกสอนให้ทาบุญอาจจะเห็นแบบอย่างจากพ่อโดยเพาะแม่หรือว่าย่ายายที่ชวนลูกชวนหลานไปใส่บาตรเชื่อว่าการปฏิบัติทางาศาสนาอย่างแรกเนี่ยของคนไทยเราตั้งแต่เล็กก็คือการทาบุญ เฉพาะการใส่บาตแล้วเราก็ทํากันเรื่อยมาส่วนหนึ่งเพราะเรามีความเชื่อนะว่านีบุญนั่นน่ยมันมีอันที่สง่งช่วยช่วยทําให้เราได้รับสิ่งที่ปรารถนาเช่นอายุวันน่าสุขภาละแล้วก็เชื่อต่อไปได้วยว่าเนี่ยบุญเนี่ยก็จะมีอันที่ส่ง ท, ทาให้เรา ได้โชคได้ลาภช่วยขจดัดปัดเป่าอันตรายช่วยทำให้อุปสรรคหรือว่าสเสนจันไรนะมันมาลายหายไปเด้วยความชื่วันนี้ก็ทำให้คนไทยเรานี่ข ย, ออยนันทำบุญมากทำบุญกันเป็น อย่างเป็นจริงเป็นจังมากเรียกว่าหายใจเป็นบุญถ้าไม่ได้ทำบุญแล้วก็จะรู้สึกขาดอะไรไปบางอย่างอย่างคนไทยในต่างประเทศเนี่ยโดยเฉพาะประเทศที่ไม่ค่อยมีวัดไม่ค่อยมีพระนี่<ๆ>ก็จะหยหามากเลยนะเรื่องการทำบุญเนี่ยโดยเฉพาะกับพระถ้ารู้ว่ามีพระมา เยือนประเทศของเขาเนี่ยจะผลควา ย, ยหาอกาศมามาทำบุญมาใส่บาตรมาถวายสงฆ์ทานหรือว่าเลี้ยงพระเรียกว่ากุลกุลกุจอผลควายกันอย่างจริงจังมากเละเปพ่อเราเชื่อว่าบุญเนี่ยมีอันที่สงูงมากเนาะผู้คนก็เลยพยายามที่จะ เอาบุญให้ได้เยอะ ๆ, ๆจมกระทั่งบางทีถึงขั้นว่าเวลาจะทำบุญนี่เลต้องเลือกเฟ้นนะว่าทำบุญกับใครหรือทำบุญอะไรทำบุญประเภทไหนจึงจะได้บุญมากแลวคำว่าบุญมากก็คือมีอันที่สงมากนะเช่นทำให้อายุยืนทำให้หายป่วยหายไข้ทำให้ประสบความสำเร็จทาให มีเกตุยศชื่อเสียงก็ว่าไปมีการสอนก็ว่าเนี่ยการทำบุญแต่และอย่างแต่และชนิดมันกใ็ให้อันที่สงแตกต่างกันไปอยากมีอายุยืนก็ต้องทำบุญแบบนี้ถ้าอยากมีโชคมีลาก็ต้องทาบุญอย่างนี้อยากมีบริษัทบริวารมากก็ต้องทำบุญอย่างนี้แล้วก็ ยิ่งมีความเชื่อว่าเนี่ยทำบุญกับพระอาหารหันตะ์ได้บุญมากอ น, นิสงส์เยอะก็เลยแห่กันไปทำบุญกับพระที่เชื่อว่าเป็นพระอาหารหันต์หรือพระฤๅยีเจ้าในทัศนตกกิที่มุ่งเอาบุญเนี่ยมันก็ทำให้เวลาทำบุญเนี่ยมันก็ไม่ต่างจากการซื้อหุ้นนะนะคือ ดูว่าหุ้นตัวไหนที่จะให้ผลตอบแทนมากที่สุดหุ้นตัวไหนหุ้นตัวนี้ให้ผลตอบแทนมากกว่าซื้อบางทีชาวูดเราทําบุญด้วยจิตที่คิดจะเอาบุญเนี่ยมันก็จ่อมาในรูปนี้แล้วก็สิ่งที่มักจะเกิดขึ้นตามมาคือความคาดหวังคาดหวังว่า ทำแล้วนี่จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะกับตัวเองเช่นมีอายุยืนไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ประสบภัยอันตรายการงานก็สำเร็จราบรื่นซึ่งบางครั้งนี่ไอความคาดหวังจากบุญของชาพุทธเราเนี่ยบางทีมันก็ล้นเกินนะ หรือว่าสวนทาความเป็นจริงในการที่คนเราเนี่ยจะจะที่จริงแล้วจะได้ประโยชน์จากพุทธศาสนาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าจะมีใจฝ่ในเรื่องบุญกุศลอย่างเดียวนะสิ่งสำคัญกว่านั้นคือธรรมะสนใจแต่บุญส่วนธรรมะนี่ไม่ค่อยสนใจอันนี้มันก็ เกิดปัญหาได้นะแล้วชาวพูดเราก็แปลกนะถ้าพดทรื่้งเอาบุญนี่เต็มที่เลยแต่พอพุทธเองธท ร, ร ม, มานี่ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่มันก็แปลกดีนะสมัยที่อาตมาไปจำปรรษาที่วัดอมรว ด, ดีประเทศอังกฤษเนี่ยเมอคนไทยเนี่ยนะขยันมากเลยนะ ในเรื่องการทำอาหารถวายพระแล้วก็นักปฏิบัติโดยเพราะวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ ย, ยเป็นวันที่ชาววัดนี่รอค อ, อยเพราะว่ารู้เลยว่าเนี่ยคนไทยนี่จะนำอาหารไทยนี่มาเลี้ยงคนในวัดและอาหารไทยนี่ก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วตั้งแต่สมัยนั้นว่าอร่อยนะ คนก็รอเลยนะแต่แปลกนะพอพอเลี้ยงพระเสร็จได้เวลาที่ทางวัดจะมีการแสดงธรรมกนะ็ะจะมีธรรมเนียม์หม่พอบ่ายโมงเนี่ยก็จะนิ ม, มนต์พระในวัดมาแสดงธรรมบางทีก็แม่ชีเพราะบอกว่าพอถึงเวลาแสดงธรรมนีคนไทยนี่หายหมดเลย คือสนใจทำบุญนะแต่ว่าไม่สนใจฟังธรรมทางวันนี้จัดอบรมกรรมฐานจัดลิทรีตนะซึ่งเป็นที่สนใจของชาวต่างชาติมากเรียกว่าจองกันเลยนะเพราะว่าฟรีแต่ว่าถ้าจะไม่มีคนไทยเนี่ยไป ไปเข้ารีทรีตที่นั่นเลยทั้งที่เป็นรีทรีตที่มีชื่อมากบางบางปีเนี่ยอาจารย์สุมเมโก็เป็นผู้นำกรรมฐานนำรีทรีตเองเลยแต่ทำยังไงก็คนไทยก็ไม่ค่อยมาแต่ถ้าพูดถึงเรื่องทำบุญนี่เต็มที่เลยเพราะคนไทยเนี่ยอยากจะเอาบุญแต่พอถึงเรื่องธรรมะนี่ก็ไม่ค่อยสนใจมันไม่ใช่เฉพาะเมือง พชอชาวพุทธไทยแองกฤษนะชาวพุทธในเมืองไทยก็เหมือนกันนะในเรื่องทาบุญเอาบุญนี่เต็มที่นะแต่พอถึงเรื่องของธรรมะเช่นการฟังธรรมนี่ไม่ค่อยสนใจเวลามีงานทาบุญใหญ่ๆนี่หรือไม่แต่งานศพเนี่ยหัวข้อที่มักนิยมนิมนต์อารัธนาพราให้เทศเนี่ยตามสูตรนกะ็คือ อนิสง์ของทานหรืออนิสง์ของกระถินซึ่งก็หมายถึงว่าเนี่ยถ้าทำบุญให้ทานถวายเป็นเจ้าภาพเท่ากระถินก็จะทำให้มั่งคั่งร่ำรวยมีโชคมีลาบตายไปแล้วก็มีวิมานคอยรองรับได้เป็นเทพบุตรเทพธิดา ออกไปในแนวนั้นนะถ้าพูดถึงตามประเพณีแทนที่จะใช้โอกาสนี้เนี่ยน้อมนำคนให้เปิดใจรับฟังธรรมะแล้วทำไมคนไทยเนี่ยชาวพุทธไทยถึงนะขยันเอาบุญนะแต่ว่าเมินธรรมะเนี่ยก็เพราะว่าบุญเนี่ยนะมันมีอนิสงส์ที่ถูกใจ ได้โชคได้ลาภได้อายุวันนาสุขบาละแต่เวลาพูดถึงธรรมะเนี่ยคนจํานวนมากเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่ถึงแม้จะถูกต้องก็ตามนะว่าเวลาพูดถึงธรรมะนี่หมายถึงอะไรนะหมายถงสงศีลธรรมแล้วศีลธรรมในพุทธศาสนาเนี่ยมันก็มีอะไรสําคัญเท่ากับอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งถ้าแปลเป็นภาษาชาวบ้านคือว่า เกิดมาแล้วเนี่ยนะไม่ว่าจะมั่งคั่งร่ำรวยยังไงนะก็ต้องสูญหายหรือเสื่อมสลายในสิ่งที่มีแข็งแรงยังไงก็ต้องแก่ต้องเจ็บและสุดท้ายก็ต้องตายในธรรมะเนี่ยมันเป็นเรื่องศัจธรรมความจริงที่คนจํานวนมากเนี่ยไม่เคย อ, อยากจะฟังเท่าไหร่เพราะเป็นเรื่องความไม่เที่ยงเรื่องความ ความเสื่อมสลายไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแต่มันสำคัญนะเพราะว่าถ้าคิดแต่จะเอาบุญแต่ไม่สนใจทำเนี่ยก็อาจจะเกิดความทุกข์ในภายหลังได้มีผู้ชายหนึ่งนะจะขยันขยันทำบุญมาก แล้วก็ไม่ใช่แค่ทาบุญด้วยทานนะแต่ว่ายัางรักษาศีลด้วยตั้งแต่เป็นวัยรุ่นนี่ก็เรียกว่ารักษาศีล5้าได้ครบไม่ไปทำอะไรที่ผิดศีลรวมทั้งศีลข้อสแล้วตั้งใจทำนะด้วยความเชื่อว่าเนี่ยถ้าหากว่าทาบุ ญ, ญเยอะ ชีวิตก็จะมีแต่ความรุ่งเรืองมันจะมีอายุยืนปลอดพ้นจากโรคาพยาธิแต่แล้วเนี่ยพออายุสี่สิบกว่านี่ปรากว่าเป็นมะเร็งนะโอ้ทำใจไม่ได้เลยรู้สึกผิดหวังมากนะว่าอุตสาห์ทาบุญรักษาศีลมาทั้งชีวิต ทำไมบุญจึงไม่รักษาเลยเรียกว่ามีความทุกข์ใจยอมรับความเจ็บป่วยไม่ได้ทำไมต้องเป็นชั้นทาไมต้องเป็นชั้นนะมีอาการกราดเกลียวนะตลอดเวลาที่เจ็บป่วยและสุดท้ายเวลาตายก็ไม่ได้ตายสงบเท่าไหร่ที่จริงแล้วเนี่ย ทำบุญเนี่ยเป็นของดีนะแต่ก็อย่าลืมธรรมะด้วยเพราะว่าธรรมะนี่สอนให้เรารู้ว่าไม่ว่าจะอยู่ดีมีสุขยังไงสุดท้ายมันก็ต้องแก่สุดท้ายก็ต้องเจ็บในความคิดว่าเนี่ยทาบุญแล้วนี่จะมีอายุยืนไม่เจ็บไม่ป่วยนะมีแต่โชคมีแต่ลาบเนี่ย มีแต่ความสุขความเจริญเนี่ยจะว่าไปมันก็สวนทางกับความจริงนะของโลกนะหรือสวนทางกับสัจธรรมพระพุทธเจ้าก็ตัดไว้ไม่ใช่หรือ ว, ว่าเนี่ยโลกธรรมแปนะมีลาบก็เสื่อมลาบมียศก็เสื่อมยศมีสารเสริมก็ต้องเจอกับนินทาว่าร้ายมีสุขก็ต้องเจอทุกข์ ไม่ว่าจะยิ่งใหญ่อย่างไรก็ต้องหนีไม่พ้นความแก่ความเจ็บความตายอย่างที่เราสวดมาสักครู่เนี่ยอภินิหาปัจเวรเนี่ยเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะรบพ้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะรบพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะลบพ้นความตายไปไม่ได้เราจะต้องพัพรากจากของรักของชอบใจทั้งนั้นนี่คือสัจธรรมความจริงนะ ที่แม้มันจะถูกต้องนะแต่มันก็ไม่ค่อยถูกใจคนเท่าไหร่ในขณะที่อันที่สอของบุญเนี่ยโอ้มันถูกใจคนมากมายทําบุญแล้วจะได้โชคได้ลาบจะได้มั่งมีสีสุขอะไรที่ถูกใจคนก็พุ่งเข้าหาอะไรที่ไม่ถูกใจไม่ถูกต้องคนก็เมินแต่มันช่วยได้เยอะนะ อย่างชายคนนี้ถ้าหากว่าไม่เพียงแต่ทาบุญแต่ว่าเปิดใจรับฟังธรรมะด้วยก็จะรู้ว่าในความเจ็บป่วยนีย่มันเป็นธรรมดาที่ไม่มีใครหนีพ้นเดีย๋ยวว่าแต่คนที่รักษาศีลห้าได้ครบถ้วนเลยนะแม้กระทั่งพระอรหันต์พระพุทธเจ้าก็ยังหนีความเจ็บป่วยไม่พ้น บางทียังไม่ต้องพูดถึงการถูกทำร้ายถูกใส่ร้ายอย่างที่เคยเล่าพัะสารีบุตรนี่เจอมาอเจอมาเยอะทีเดียวทังที่ท่านก็เป็นผู้ที่เรียกว่าศีลบริสุทธิ์แล้วก็เป็นผู้ที่เปลี่ยนไ้ได้คุณงามความดีเพราะเรื่องแบบนี้มันเป็นธรรมดาโลก สัจธรรมหรือธรรมะเนี่ยมันทําให้เรารู้จักเข้าใจยอมรับธรรมดาโลกในเวลาเราทําบุญถ้าเราทําบุญด้วยความเข้าใจในเรื่องสัจธรรมความจริงเราก็จะไม่คาดหวังอะไรที่มันเกินจากความจริงเพราะถ้าคาดหวังเกินความจริงไปแล้วถึงเวลาที่ความจริงมาแสดงตัวมาก็จะผิดหวังเสียใจว่าทําไมธรรมะทําไมบุญไม่ช่วยฉัน อย่างมีบางคนเนี่ยขยันนะทำบุญมากเลยนะมีงานที่ไหนก็ไปตั้งโรงทานที่นั่นนะออกทั้งเงินออกทั้งแรงทำงานอย่างทุ่มเทมากนะไม่เคยเกี่ยงงอนวัดไหนขอให้ไปช่วยตั้งโรงทานก็ไปเพราะเชื่อว่าทำแล้วนี่ได้บุญเยอะ แล้วก็คาดหวังต่อไปว่าเนี่ยบุญนี่แหละนะที่จะช่วยทำให้อยู่เย็นเป็นสุขนะปราศจากโรคภัยแต่แล้ววันยึงเกิด อ, อุบัติเหตุนะอุบัติเหตุรถจน์เป็นอุบัติเหตุที่รุนแรงนะไม่ถึงกับพิการนะแต่ว่าเป็นสิ่งที่ไม่คาดฝันแล้วก็เจ็บปวดมากตอนนั้นเนี่ยคิดอยู่ในใจเลยนะว่า ต่อไปนี้ฉันไม่ทำบุญละเพราะอะไรเพราะคิดว่าเนี่ยอุตส่าห์ทำบุญมามากเนี่ยทำไมต้องมาเจอแบบนี้เพราะที่จริงเนี่ยถ้าหากว่า <c oughs> เข้าใจธรรมะอยู่บ้างนะไม่ใช่ว่าเอาแต่บุญแต่ว่าเปิดใจศึกษาธรรมะด้วยนีย่ก็จะตระหนักว่าเนี่ย อันนี้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้อะไรแล้วก็เกิดขึ้นได้เนี่ยนี่คือหลักอ น, นิจจังอ น, นิจจังหมายแปลว่าอะไรแล้วก็เกิดขึ้นได้นะมันไม่ได้แปลว่าไม่เที่ยอย่างเดียวและสิ่งที่สิ่งที่เป็นลบก็สามารถเกิดขึ้นกับตัวเราได้แต่มันจะไม่เป็นเรื่องที่เกินความคาดหมายถ้าเราเข้าใจเรื่องอ น, นิจจัง ทมาทีมัช่วยทําให้เรายอมรับความจริงที่เกิดขึ้นได้แม้จะเลวร้วายและที่จริงแล้วมาช่วยทําให้เราเนี่ยรู้จั ก, จกเผื่อใจไว้ล่วงหน้าเตรียมใจไว้ล่วงหน้าว่าเนี่ยมันอาจจะเกิดสิ่งนี้กับเราก็ได้ท่านยังสอนว่าอย่าประมาทไงอย่าประมานนี่ไม่ได้ใช้กับความตายอย่างเดียวไม่ได้ไหมายความว่าเราจะตายเมื่อไหร่ก็ได้แต่ยังหมายความว่า เหตุรายสามารถเกิดขึ้นกับเราเมื่อไรก็ได้เพราะอะไรอรมันก็ไม่แน่เพราะฉะนั้นจับประมาตต้องเผื่อใจไว้อันที่พอไม่ไม่เปิดใจเรียนรู้ซึมซับรับธรรมะเนี่ยเวลาเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็จะผิดหวังเสียใจเพราะไปคาดหวังจากบุญกุศลมากเกินไปเป็นการคาดหวังที่เกินความจริง แล้วพอเกิดเหตุร้ายนี่บางทีมันทำให้คนบางคนสวิงกลับนะจากที่ทำบุญกลายเป็นเลิกทำบุญไปเลยเพราะผิดหวังไยว่าทำไมบุญจึงไม่รักษาตนให้ปลอดภัยอย่างเมื่อห้าสิสิบปีที่แล้วนี่มีไฟไหม้ใหญ่ที่สุรินนะกลางเมืองสุรินเลย มีบ้านเรือนนับร้อยนี่ถูกไฟเผาผลาญคนนับพันสิ้นเนื้อประดาตัวก็วมีโยมคนหนึงน่ง่มาพูดเข้าหูหลวงปู่ดุลหลวงปู่ดุลนี่ท่านเป็นเจ้าวาดวัดบุรพารามอยู่กลางเมืองสุรินทร์แต่วัดนี่ปลอดภัยนะโยมนี้เขาพูดว่าเนี่ยตัดพ่อว่าเนี่ยตั้งแต่ปู่ย่า ต, ตายายก็ทำบุญอุดหนุนวัดพ่อแม่ก็ ยานทําบุญอุปถรัรมภสง์ตัวเเองเป็นเจ้าภาพทอดกถินทอดผ้าปา่าสร้างโบทสร้างวิหารนะมากมายแต่ทำไมต้องมาเจอเหตุการณ์นี้ต่อไปนี้นะเลิกทาบุญละไม่เข้าวันละอสวิงกลับเลยนะเพราะเห็นว่าเนี่ยบุญไม่รักษาธรรมะไม่คุ้มครอง หลวงปู่บู้าเเนี่ยความอันตรท า, านความวิบัติความเสื่อสลายความพัดพลา ง, างเป็นธรรมดาโลกผู้ที่มีธรรมะหรือผู้ที่ปฏิบัติธรรมเมื่อประสบภาวะเช่นนี้จะวางใจอย่างไรจึงไม่เป็นทุกข์อย่างอย่างที่ต่างหากที่เป็นหน้าที่ของธรรมะไม่ใช่ว่าธรรมะจะช่วยให้ไม่แก่ไม่ ตายไม่หิวไฟไม่ไหม้ไม่ใช่นี่เท่ากับว่าเข้าใจธรรมะเนี่ยนะก็สามารถจะรักษาใจไม่ให้ทุกไดนะ้ช่วยทำให้ใจเนี่ยมันมีเครื่องรักษายิงอยู่หน้าบุญเนี่ยนะช่วยทำให้เกิดโชคเกิดลาภเกิดสิ่งดีๆกับชีวิต แต่ไม่ได้หมายความว่าไอ้สิ่งแย่ๆสิ่งเร็วร้ายหรือความเสื่อมจะเกิดขึ้นไม่ได้มันย่อมเกิดขึ้นอยู่แล้วเป็นธรรมดาโลกมีลาบก็เสื่อมลาบมียอดก็เสื่อมยศดมีกําลงวังเช้าก็ต้องแก่ชาราแต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยถ้ามีธรรมะหรือเข้าใจธรรมะก็จะทำใจยอมรับมันได้ง่ายนะ หรือถ้ามีการฝึกให้ธรรมะเกิดขึ้นในใจนะธรรมะก็จะช่วยรักษาใจไม่ทุกขนะ์รู้จักปล่อยรู้จั ก, กวางได้ก็คือว่าเสียแต่ทรัพย์นะแต่ว่าใจไม่เสียหรือป่วยก็ป่วยแต่กายใจไม่ป่วยเพราะว่าธรรมะเนี่ยมันก็มีความหมายทั้งธรรมะที่เป็นสัจธรรม อันิีจังทุกขังอนัตตาโลกธรรมแปดมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีนินทามีสารเสริอก็มีนินทามีสุขก็มีทุกข์นี่เ ร, เรียกว่าสัจธรรมแต่การธรรมะยังหมายถึงสิ่งที่คุ้มครองรักษาใจเช่นสติสมาธิปัญญานี่ถ้าเราไม่เอาแต่ไม่มัวแต่ทำบุญหรือเอาคิด แต่จะเอาบุญแต่ว่าสนใจธรรมะด้วยนะไม่ทำให้เราเนี่ยมีเครื่องคุ้มการรักษาจิตซึ่งประเสริฐกว่าบุญซะอีกนะบุญเนี่ยนะมันมีอนิสงส์จํากัดมันไม่สามารถที่จะรักษาใจไม่ให้ทุกได้ในยามที่เจอกับ ความแก่ความเจ็บความพัดพลาความตายแต่ธรรมะสามารถจะช่วยได้งั้นถ้าไม่หมัวแต่เอาบุญหรือทาบุญนะแต่ว่าสนใจนะเปิดใจรับธรรมะนี่เราจะได้ไประโยชน์จากพุทธศาสนาเยอะนะแต่มั น, น่าเสียดายนะที่ชาวผู้จำนวนมากเนี่ยมาวัดนะก็คิดแต่จะเอาบุญหรือทำบุญ แต่ว่าไม่เปิดใจเรียนรู้ธรรมะเลยหรือสัจธรรมอย่างผู้ชายคนที่ว่าเนี่ยนะแกก็ขยันเข้าวัดนะแต่ว่าเข้าวัดก็ได้แต่ทาบุญพราะคิดแต่จะได้อานิสงส์ของบุญแต่ว่าไม่ได้เปิดใจรับธรรมะเช่นเดียวกับโยมคนที่พูดเข้าหูหลวงปู่ดุลเนี่ยเข้าวัดเยอะนะ ก็วัดบ่อยแต่ว่าคิดแต่จะเอาบุญแต่ว่าไม่เปิดใจรับฟังธรรมะในธรรมะนี่มันสามารถจะเข้าสู่ใจเราได้เนี่ยประกราด้วยการฟังนะตามยับปัญญาการฟังแต่ฟังแล้วไม่พอต้องใคร่ครวนด้วยใคร่ครวนจากประสบการณ์ของผู้คนมากมายที่ เคยรุ่งแล้วก็ร่วงนะหรือว่าเคยสําเร็จแต่แล้วก็ล้มเหลวชีวิตเคยขึ้นแต่แล้วก็ลงนี่เราไข้ควรแบบ น, นี้เนี่ยนะอันนี้ก็เราจินตามยาปัญญาหรือที่ยิ่งกวนั้นคือภาวนาตามยาปัญญาคือปฏิบัติธรรมเนี่ยอันนี้ยิ่งเป็นเรื่องยากนะสำหรับชาวผู้จำนวนมาก จะให้มาทำบุญได้นะจะให้มาปฏิบัติธรรมนะฉันไม่เอามันจะพูดว่านี้ก็ฉันยังไม่ทุกข์นี่จะปฏิบัติธรรมไปทำไ ม, ำไมรอให้แก่ก่อนะแต่ถึงเวลาแก่ก็เรื่องไปเรื่อยๆไอ้ภาวนาภาวนามปัญญาเนี่ยคือการจรสติการทำสมาธิการทำกรรมฐานมันเป็นหนทางแห่งการเปิดใจให้เข้าถึงธรรม อันนี้จังทุกข์งอนาตาเนี่ยถ้ามันได้แต่เรารู้ผ่านการฟังเนี่ยมันไม่มันไม่ทราบซึ่งถึงใจนะถึงเวลาเกิดเหตุก็ลืมลืมลืมไปเลยนะเพราะว่ามันเป็นแค่สิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาแต่ถ้าเราภาวนาจนทั่งภาวนาจนเห็นนะเห็นรูปเห็นนามโดยเพราะ ความคิดอารมณ์ที่มันไม่เที่ยงนะมันตกอยู่ภายใต้กฎตรยรักก็จะเข้าใจทราบซึง้งพอเข้าใจไตรรักแล้วเนี่ยนะมันจะไม่ลืมแล้วหรือมันจะลืมยากถึงเวลาเกิดความผันผวนแปลาปลาปีนขึ้นมาในชีวิตก็ทำใจได้ยอมรับได้ ไม่บน่นไม่โวยวายไม่ตีโพยตีภายในคร่ำครวนพราะรู้จักใคร่ครวนนะจากประสบการณ์ทั้งจากการปฏิบัติธรรมและจากการดำเนินชีวิตแต่ที่สำคัญคือว่าทำให้ได้มีธรรมะรักษาใจนะคือสติสมาธิปัญญาอันนี้เนี่ยเป็นของที่ประเสริฐกว่าบุญนะที่เราเข้าใจสิ เพราะนั้นเนี่ยจะคิดแต่จะเอาบุญนะแต่ว่าให้เปิดใจรับฟังธรรมะด้วยถ้าเอาบุญแต่ว่าเมินธรรมะนี่อันนี้ถือว่ายังชีวิตยังมีความเสี่ยงอยู่ทําบุญ ด, ดีแล้วนะแต่ว่าต้องอย่าลืมธรรมะด้วย